น้องพูดรุนแรงถึงป่านั้นพันธุระทักทว้วงเชยคางนางอันเป็นที่รักให้เหนื่อหน้าขึ้นมองซึ้งลงไปในดวงตาอันเศร้าซึมของมาริกาซึ่งยังมีน้ำตาคลออยู่ก้มลงจมพิษเบาๆเพื่อปลอบใจให้นางสาโศกมือหนึ่งก็ลูบไล้ไปตามเรือนเกษาอันอ่อนนุ่มสลวยไปเงางามเรื่อยลงมาจนถึงแผ่นหลังซึ่งอวบเต็มชีวิตนี้ไม่มีอะไรรุนแรงนักหรอก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 น้องควรจะมองชีวิตในฐานะที่เป็นสิ่งรื่นรมและสร้างความหวังอสดชื่นไว้เสมอเพื่อชีวิตนี้จะได้สดชื่นขึ้นจะไม่เป็นการหลอกลวงตัวเองไปหรือมาริกาเงยหน้าสบตาสามีในเมื่อชีวิตนี้ไม่ได้รื่นรมจะไม่เป็นการระบายสีให้แก่ชีวิตจนมองชีวิตที่แท้จริงไม่เห็นไปหรือน้องรักถ้าการหลอกลวงตัวเองนั้นเป็นไปในทางที่ดี ในทางสร้างสรรค์ให้แก่ชีวิตนี้ชื่นสุขเราก็ควรจะหลอกลวงมนุษย์เราชอบหลอกลวงตัวเองในทางร้ายในเหตุร้ายก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อเป็นชะนีทำไมเราจะไม่หลอกลวงตัวเองไปในทางที่ดีเพื่อผลดีจะเกิดขึ้นจริงๆบ้างพระบรมศาสดาก็ตรัสไว้ไม่ใช่หรือว่าสำคัญที่ใจถ้าใจดีคิดดีทำดีและพูดดี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 ยอมให้ใครๆเกลียดได้โดยไม่สะทกสถานแต่ขอให้เป็นทิรักของมาริกาเท่านั้นมาริกายิ้มทางน้ำตาคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงพอพระอาทิตย์อสดงผู่หนึ่งรัชนีก็โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ทางทิศตะวันออกลมต้นปทุมยามให้ความชุ่มชื่นไม่ใช่น้อยกลิ่นดอกไม้จากอุทยาน เปีวมาตามสายลมกระทบคาหน้ปราสาทอันไวต่อความรู้สึกของผุถุชนผู้ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสบนปราสาทชั้นที่สมจะมองเห็นมนุษย์คู่หนึ่งเขายืนเชียงกันมองผ่านหน้าต่างออกไปทางทิศตะวันออกครู่หนึ่งบุรุษผู้มีร่างกายกำยำสมเป็นนักลบกลางแขนประคองสตรีผู้ยือนอีกเคียงข้างมาลิการ์ที่รัก ท่ามกลางสายลมแสงจันทร์และกลิ่นดอกไม้จากกุทยานซ้ํายังมีมาริกาหยุกเพียงใกล้ชะนีที่มีความสุขเหลือเกินดูเหมือนว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่มีความสุขเหมือนวันแรกที่พี่และน้องอยู่ร่วมกันฉันสามีพัญญาที่รักพี่ขอพูดซ้ําอีกครั้งจิดว่าพี่รักน้องเหลือเกินเขาดึงพัญญายอดรักของเขาเข้าสวมกอดด้วยความทนุถนอม มันลิกาตั้งครันและคลอดบุตรครั้งละสองครั้งละสองถึงส6ครั้งรวม32สองคนเป็นที่ชื่นชมสมใจของพันธุระและมันลิกาเองยิ่งนักบุตรเหล่านี้ล้วนแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และสำเร็จวิทยาการอันสูงยิ่งสมเป็นบุตรแห่งเสนาบดีแคว้นมคตแห่งเตียงไกลปรายราชการแห่งพระเจ้าประสนติโกโนั่นเอง ข่าวใหญ่ก็เกิดขึ้นในราชธานีสาวัตถีเป็นข่าวที่แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากแค้นหนึ่งสู่แแคนหนึ่งจากเมืองน้อยสู่ตำบลและหมู่บ้านทุกแห่งประชาชนต่างโจ์จันกันถึงข่าวนี้พันธุระเสนาบดีและบุตรสสองคนถูกฆ่าตายภิกษุในอารามเชตวันกลุ่มหนึ่งนั่งสนทนากันอยู่มีภาควิจารถึงมรณกรรมของท่านพันธุระ ขณะนั้นเองพระอนุ์พุทธอนุชาก็เดินผ่านมาภิกษุเหล่านั้นลุกขึ้นยืนรับและปูราดอาสนะเป็นทํานองเชื้อเชิญพระอนุชาพระอนุ์เมานางเรียบร้อยแล้วก็กล่าวว่าอาวโุโสท่านทั้งหลายสนทนากันเรื่องอะไรอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังสนทนากันถึงมรณกรรมของท่านพันธุระเสนาบดีพระอนุ์มีอาการตรอง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 แม้ว่าจะเป็นพระอริยบุคคลก็จริงแต่ก็เป็นเพียงอริยขั้นต้นเท่านั้นยังหาได้ตัดความโศกและความเสเทือนใจได้ไม่แต่ที่ยับยั้งอยู่ได้ก็โดยมีสติคอยเหนี่ยวรั้งอยู่พิกสุกลุ่มนั้นมีอาการสงสัยเมื่อพระอานอนุ์พูดว่าพันธุระเสนาบดีเป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินาราพิกสุรูปหนึ่งซึ่งมีลักษณะเอาโศ ก, กว่ารูปอื่น ถามขึ้นอย่างนอบน้อมว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงธรรมข้าพระเจ้าสงสัยในคำกล่าวของท่านที่ว่าท่านพันธุละเสนาบุตรีเป็นเจ้าชายแห่งนครกุสิกนาราเท่าที่ข้าพระเจ้าทราบและเห็นข้าพระเจ้าเข้าใจว่าท่านพันธุละเป็นเชื้อไขแห่งราชธานีสาวัตถีเองเพราะเป็นเสนาบุรีแห่งนครนี้และเป็นที่รักของถวยเทพนครแคว้นโกศลเกิน ข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพันธุระเสนาบดีเป็นชาวกุศินาราโดยกำเนิดดูก่อนสักขยะบุตรท่านทั้งหลายยังมีอายุน้อยและเป็นชาวแคว้นอื่นเพิ่งเดินทางมาสู่ราชธานีแห่งแคว้นโกศลไม่นานนักจึงยังหาทราบความเดิมแห่งท่านพันธุระเสนาบดีไม่แต่ท่านทั้งหลายประสงค์ข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ท่านฟังแต่เพียงสันเขป เมื่อพิสูจนเหล่านั้นสแสดงอาการยอมตามและวิงวอนเพื่อให้ทลาความเป็นมาแห่งท่านพันธุละเสนาบดีพระอานุ์จึงกล่าวว่าพระราดร น, นับถอยหลังจากนี้ไปประมาณ30ปีเศษเมื่อท่านพันธุละเสนาบดียังอยู่ในวัยหนุ่มและสําเร็จการศึกษาจากสำนักตักกศิลาแล้วกลับมาสู่กุศลนารานครนั้นได้รับการต้อนรับจากพระชนกชนนีและพระประยุรญาติอย่างมโหฬารยิ่ง สมพระเกียรติแห่งพระราชกุมารพันธุระเป็นเจ้าชายที่รูปงามเสียสละอดทนและรักเกียรติเป็นราชประเพณีที่ราชกุมารผู้สมเด็จการศึกษามาจะต้องแสดงศิลปศาสตร์รให้ปลากฎแก่พระญาติและทวยนาครวิชาที่พันธุระชำนาญมากที่สุดก็คือวิชาฟันดาบและยิงธนูเมื่อมีการทดลองฟันดาบพระญาติได้ น, นไม้ไผ่มามัดรวมกันเข้า มัดละหลายลำยกให้สูงขึ้นแล้วให้พันธุระกระโดดขึ้นไปฟันพันธุระฟันมัดไม้ไผ่เหล่านั้นขาดสะบั้นเหมือนฝันต้นกล้วยแต่ว่าบังเอิญได้ยินเสียงดังคลิกในไม้ไผ่มัดสุดท้ายเมื่อพันธุระกระโดดลงมาแล้วถามทราบความว่าเสียงคลิกนั้นเป็นเสียงของซี่เหล็กที่พระยาดแกล้งใส่ไว้ในมัดไม้ไผ่ทุกๆกลําพันธุระเสียใจว่า พระญาติของพระองค์ไม่มีใครหวังดีกับพระองค์เลยจึงไม่บอกล่วงหน้าว่าในซอดซี่เหล็กว่าในลําไม้ไผ่ด้วยถ้าพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าแล้วจะฟันไม่ให้มีเสียงดังเลยจึงกราบทูลพระชนกชนนีว่าจะฆ่ามาลคสัตว์แห่งกุสินาราให้หมดแล้วจะเป็นกษัตริย์เองเมื่อถูกระมานดาทัตทานและตรัสว่าเป็นสิทธิของพระประยุร ญ, ญาติที่กระทําอย่างนั้นได้ พันธุระจึงไม่ปรารถนาจะอาศัยอยู่ในกุสิกนาราต่อไปเพราะว่ารู้สึกอับอายที่ฟันไม่ไผ่ให้มีเสียงดังอาวุโสธรรมดาของชายใจสิงนั้นย่อมรักเกียรติและศักดิ์ศรียิ่งนักจะไม่ยอมอยู่ในที่ที่ไรเกียรติและศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สึกตัวว่าไม่มีเกียรติพอในกรุงกุสิกนาราท่านพันธุละจึงตั้งใจจะไปอยู่ที่อื่นแต่จะไปไหน ทรงระลึกถึงพระสหายร่วมสมนานักรุ่นเดียวกันอยู่หลายคนในที่สุดก็ทรงมองเห็นระเสนที่กุมารแห่งสาวัถีว่าน่าจะพออาศัยอยู่ได้เพราะเป็นสหายที่รักใคร่กันมากและปรปเสนที่กุมารก็ทรงมีอัธยาศัยดีจึงทรงสารไปทูลความทั้งหมดให้เะเสนที่ราชาทรงทราบ พ, พระเจ้าปเปเสนที่โกศลทรงพอพระทัยยิ่งนัก ที่จะได้พระสหายร่วมสํานักศึกษาและปรากฏเป็นผู้มีฝีมือเป็นเลิศมาทําราชการในสํานักแห่งพระองค์อย่างน้อยๆพันธุระก็คงจะเป็นที่ปรึกษาของพระองค์อย่างดีเลิศพระเจ้าประเสณิิโกศลทรงให้จัดการต้อนรับพระสหายอย่างมโหรารและทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งแห่งเสนาบดีเป็นที่ปรึกษาราชการทั้งปวงพันธุระทาราชการด้วยความรู้ความสามารถดีเยี่ยมวันหนึ่ง ขณะที่พันธุระกลับจากเรียกิจบางอย่างและผ่านมาทางโรงวินิจฉัยเมื่อประชาชนเห็นท่านพันธุระจึงขอร้องให้หยุดและช่วยวินิจฉัยความเพราะคำวินิจฉัยของผู้พิพากษาไม่เป็นที่พอใจของคู่ความผู้พิพากษากินสินบนใครสามารถให้เงินทองแก่คู่ความข้างใดข้างนั้นก็จะชนะส่วนฝ่ายที่ยากจนไม่มีเงินทองแม้จะถูกก็กลับกลายเป็นฝ่ายผิด ประชาชนทนเดือดร้อนและขมขื่นมาเป็นเวลานานจนสุดที่จะทนได้อาวุโสธรรมดาว่าความอดทนของผุุ้ชนนั้นย่อมมีขอบเขตเมื่อเลยขอบเขตที่จะทนได้ต่อไปก็จะระเบิดออกมาและจะกลายเป็นผลร้ายอย่างยิ่งแก่ผู้กดขี่ทารุณจะมีความชอกช้ำและขมขื่นได้เล่าเสมอโดยการไม่ได้รับความยุติธรรมอยุติธรรมนั้น จะถูกจดจำฝังใจของผู้ที่ได้รับไปตลอดชีวิตนึกขึ้นทีไรมันเหมือนปลายหอกขวางที่อกแต่ผู้ใหญ่ที่จะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นก็คือผู้ทิดตั้งอยู่ในธรรมรู้จักละอายใจในการแสวงหาความสุขสำราญบนความเดือดร้อนของผู้อื่นด้วยเหตุนี้พระาศาสดาจึงตรัสว่าความละอายใจในการทาชั่วและความกลัวต่อผลนั้นเผ็ดร้อนของความชั่ว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 ได้รับอันตรายฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นถ้าปู่ใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะถ้าเขาตั้งอยู่ในธรรมซื่อาศารสุจริตประชาชนผู้เดินตามก็น่าจะตั้งอยู่ในธรรมและซื่อสารสุจริตด้วยรัฐจะมีความสุขถ้าผู้เป็นใหญ่ประพฤติธรรมท่านพันธุล่เสนาบดีแม้จะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการวินิจฉัยความแต่เมื่อประชาชนขอร้อง ท่านก็ต้องทำและเมื่อวินิจฉัยไปแล้วก็ปรากฏว่าเป็นที่พอใจมาหาชนอย่างยิ่งทำเจ้าของทรัพย์ให้เป็นเจ้าของทำผู้ทุจริตให้พ่ายแพ้ประชาชนชื่นชมยินดีโห่ร้องอึง่งคนหนึ่งจนได้ยินถึงพระเจ้าประเสรนติโกสนพระองค์ตรัสถามเรื่องทรงทราบความแล้วทรงโสมนัสหน่งนักจึงทรงแต่งตั้งท่านพันพุละไว้ในตาแหน่งผู้พิพากษาอีกตาแหน่งหนึ่งด้วย เรื่องร้ายได้โรมินิทัชสงบเรียบร้อยตลอดมาแต่ท่านทั้งหลายต้องไม่ลืมว่าคนดีก็มีศัตรูเหมือนกันและคนที่เป็นศัตรูของคนดีนั้นก็คือคนร้ายเมื่อคณะผู้พิพากสาผู้กินทิ้นบนชุดเก่าถูกถอดออกก็โกรธเคืองและเกลียดชังท่านพันธุระยิ่งมหาชนเคารพยกย่องท่านพันธุระมากเท่าไรคนพวกนั้นก็ยิ่งเกลียดชังท่านพันธุละมากขึ้นเท่านั้น ความเกลียดชังที่เกิดจากความไม่ดีของผู้อื่นเป็นความเกลียดชังที่พอจะระงับได้บ้างแต่ว่าความเกลียดชังที่มีแรงลิสยาผสมอยู่ด้วยนั้นจะคอยเร่งเร้าให้บุคคลหาช่องทางทําลายผู้ที่ตนเกลียดชังอยู่เสมอด้วยเหตุนี้คณะผู้พิภาคสาชุดนั้นจึงพยายามแย่ให้พระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เกลียดชังท่านพันธุระโดยคาดหมายว่าอย่างไรเสีย เรื่องจะต้องถึงพระกันพระเจ้าปเสนทิโกสลและก็เป็นจริงสมคเนเรื่องที่ยุแยให้เกลียดชังก็คือเรื่องรัชสมบัติพันธุละต้องการจะแย่งรัชสมบัติดูก่อนท่านผู้สืบอริยวงเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับ ต, ตรียิ่งไปกว่าทราบว่าสามีอันเป็นทิรักของตนแบ่งใจให้หญิงอื่นเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับบุรุษ ยิ่งไปกว่าถูกยามเกียว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับคชสารยิ่งไปกว่าถูกเห็นร่วมสังวาสกับนางพังเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับแมงูยิ่งไปกว่าถูกช่วงชิงไข่เรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับพระราชายิ่งไปกว่าถูกแย่งรัชสมบัติ ด้วยเหตุนี้พระเจ้าประสเสนที่โกศลเมื่อทรงเชื่อว่าท่านพันธุละคิดกระบฏก็ทรงวางแผนสังหารท่านพันธุละเสทันทีพระองค์จะทรงยืมมือทหารของพระองค์ให้ฆ่าพันธุละจึงกุกข่าวขึ้นว่าปัจจันตชนบทแห่งแคว้นโกศลมีโจรกลุ่มหนึ่งกำเริบใจเที่ยวปล้นและฆ่าชาวบ้านอย่างทารุณทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านทำนิคมไม่ให้เป็นนิคม พระองค์ทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่จะปราบได้นอกจากพันธุระเสนาบดีเมื่อท่านพันธุระพร้อมด้วยบุตรสาสองคนเตรียมเดินทางไปปัด จ, จันตะชนบทนั่นเองนางมาริการู้สึกสังหรนใจอย่างบอกไม่ถูกพี่คนอื่นในเมืองสาวัตถีนี่ไม่มีอีกแล้วหรือนอกจากพันธุระนางถามอย่างกังวลใจเมื่อเป็นพระบรมราชโองการเราก็ต้องไป ท่านพันธุละพูดอย่างเครียดทำไมเรื่องโจรปล้นชาวบ้านเท่านี้เองจะต้องสั่งให้เสนาบดีไปปราบเพียงแต่ตำรวจหรือทหารธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้วมาลิกาทวงน้องรักพระองค์ทรงเห็นว่าพี่สมควรจะปราบควายเปลี่ยวแล้วสั่งพี่ไปพี่ก็ต้องไปยิ่งกว่านั้นถ้าหากว่าพระองค์จะส่งพี่ไปเพื่อต่อสู้กับความตายพี่ก็ต้องไป พระราชาเป็นเจ้าชีวิตน้องรักชีวิตของเราเป็นของพระองค์พระองค์ทรงต้องการเมื่อไรก็ต้องถวายทันทีแต่ว่าน้องรู้สึกสังหรใจอย่างไรพี่กนพี่เคยจากน้องไปราชการอยู่เสมอน้องไม่เคยสังหรและวิ่ตกกังวลเหมือนครั้งนี้พี่ไม่ไปไม่ได้หรือนางพร่มพรางกอดเอวของท่านเสนาบดีไว้พี่บอกน้องแล้วว่า เมื่อเป็นพระบรมราชโองการพี่ก็ต้องทำตามคงไม่เป็นอะไรดอกนอ้องอย่ากังวลเลยและทำไมต้องเอาลูกๆทั้งหมดไปด้วยลูกไม่ตรงไปไม่ได้หรือนี่ก็เป็นพระบรมราชโองการอีกเหมือนกันเมื่อ น, นึกถึงลูกท่านเสนาบดีก็มีสีหน้าหม่นหมองเล็กน้อยแต่ก็กลับแท้มชื่นขึ้นอย่างเดิมในช่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่เอาทีฆะการายณนะหลานชายไปด้วยหรือ ไม่มีพระบรมราชององค์การให้พาไปน้องขอไปด้วยอย่าไปเลยที่รักเป็นเรื่องของพี่และลูกๆเท่านั้นอาวุโสระอนลเล่าต่อท่านพันทุละพูดเหมือนรู้ล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลานางมาลิกาสังหรนใจเป็นความสังหรนใจที่มีเหตุผลเหลือเกินพระราดอความสังหรนใจของสตรีนั้นมักจะมีเหตุผลเสมอ สภาพดวงจิตของสตรีวันไหวง่ายดังนี้จึงสามารถรับอารมณ์อันเร้นลับได้ง่ายเหมือนน้มตื้นย่อมกระเพื่อมได้เร็วประสาทที่หกของคนไวต่ออารมณ์อันเร้นลับเสมอเอาโสเมื่อมีข่าวท่านพันธุระออกปราบโจรด้วยตนเองโจรที่ก่อความวุ่นวายก็หลบหนีความจริงโจรพวกนี้ก็คือราชบุรุษที่พระเจ้าประเสนที ทรงแต่งตั้งไปนั่นเองและก็หาได้ปล้นหรือทำร้ายชาวบ้านอย่างข่าวลือไม่เมื่อท่านพันธุละเดินทางกลับมาคนครสาวัตถีนั่นเองทหารที่พระเจ้าเปอร์เซนที่แต่งตั้งไว้ให้ไปในขบวนของท่านพันธุละได้รอบข่าทัานเสนาบดีและลูกๆทั้งหมดท่านผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ท่านพันธุละ จะไม่ทราบแผนการของพระเจ้าประเส enti แต่ข้าพเจ้าคิดว่าท่านพันธุละเสนาบดีใจสิง์พัดพรากบ้านเมืองมาและหวังจะพึ่งรวมเงาเพื่อนเมื่อเพื่อนคิดฆ่าก็ไม่ทราบจะอยู่ไปทําไมตายซะดีกว่าอันหนึง่งตามเข้าวเรื่องถ้าท่านพันธุละปรารถนาราชสมบัติในกรุงสาวัตถีท่านก็สามารถเอาได้โดยง่ายแต่ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์กตัญญู ทำให้ท่านยอมตายดีกว่าที่จะทําการอาสัตย์อกักตันยอยู่พระเจ้าประส e n ินั้นเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นกษัตริย์ที่โอเขาและพระกรรมาด้วยข้าพเจ้าไม่ปรงใจเชื่อเลยว่าท่านพันธุละจะไม่ทราบถึงแผนการของพระเจ้าประส e n ิภิกษุรูปนั้นพูดเสียงเครียดเหมือนจะเจ็บร้อนแทนท่านพันธุละเสนาบดีพระอนน์นิ่งอึ้งในท่าตรอง ท่านมองมือไปข้างหน้าอย่างไรจุดหมายทุกรูปเงียบทุกรูปคิดนิ่งและนานเอาโศพระพุทธอนุชาก่าบขึ้นในที่สุดพระเจ้าประส e n t ิก็ทราบความจริงภายหลังว่าพันธุละไม่ได้คิดแย่งรัชสมบัติเลยทรงเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงจนหาความสุขในรัชสมบัติไม่ได้แต่พระองค์ทรงรู้พระองค์ไม่ได้เสียคนดีไปแล้ว อย่างจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้และสมัยที่พระองค์ทรงระลึกถึงพันธุระมากที่สุดก็คือสมัยที่มีราชกิจสสาคัญสาคั ญ, คญซึ่งพระองค์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยพลศติปัญญาของพระองค์เองอาวุโสคนสอพรอนั้นนอกจากจะหาความสุขแค่กันตนเองไม่ได้แล้วยังจะกอ่อความยุ่งยากก่คนดีคนบริสุทธิ์มากมายแต่โลกก็ไม่เคยขาดแคลนคนประเภทนี้ เขาแสดงอาการพินาศพิเทาต่อหน้าเจ้านายเสีจนออกหน้าออกตาและเหมือนแซงทำเมื่อใดมีโอกาสอยู่ตาลําพังกับเจ้านายเขาก็จะเริ่มลงมือทับถมความดีของเพื่อนและคุย้ยเคี่ยวความร้ายต่างๆของเพื่อนขึ้นเสนอนายคนประเภทนี้อยู่ที่ใดก็เดือดร้อนที่นั่นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะซอกแซกอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งถ้าไม่มีคนประเภทดังกล่าวนี้ชะไหนเลยท่านพันธุล จะต้องตายอย่างน่าเศร้าและสังเวชใจพระ อ, อนุนพูดจบแล้วบอกลาภิกษุเหล่านั้นถแถลงว่าถึงเวลาที่จะต้องเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค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 จากราชธานีสู่ราชธานีและสู่คามนิคมชนบทต่างๆเพื่อสแสวงหาความวิเวกบ้างเพื่อโปรดให้ประชานิกรดํารงอยู่ในคุณธรรมสัมมาปฏบิบัติบ้างเป็นเวลานา น, านถึงส0สิปีหลังพุทธปรินิพานสมัยหนึ่งพระพุทธอนุชาออกจากสาวัตถิราชธานีแห่งแคว้นโกศลมุ่งหน้าลงสู่ทิศใต้ถึงลำน้ำยมุนา เดินเรียบลําน้ำในหลงตอนใต้อันเป็นที่ตั้งแห่งโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสักอันวรรณครโกสัมพีนี้รุ่งเรืองด้วยศิลปะวิทยาการมากหลายนอกจากนี้ยังเป็นย่านกลางแห่งการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างโกศลมคตและเมืองผ่านต่างๆทางใต้และทางตะวันออกอีกด้วย ลําน้ำยมุนาอสวยงามตาการตายิ่งนักนั้นก็ไหลามาจากแดนอันขจรนามแต่การไกลสมัยมหาภารตายุทธนั้นคือหัสดินปุระนครซึ่งแักหักพังแล้วและท่วมทนทุ่งกุรุซึ่งปานทบและเการพได้ทําสงครามเพื่อจิิงชัยความเป็นใหญ่กันความงามของนครโกสัมพีย่อมติดตาเตือนใจของอาการตุกะผู้มาเยี่ยมเยือนไปตลอดชีวิต มองไปจากฝั่งยมุนาจะเห็นกำแพงปราการบ้านเรือนสลับสล่างดูเป็นรถหลันยอดปราสาทแทงอุเทนราดนั้นเมื่อต้องแสงสุริยายามจาสดงก็ส่องแสงเหมือนมีอาทิตย์อยู่หลายดวงการสัญจรทางเรือคับข้างมีเรือใหญ่น้อยประดับประดาได้ธงทิวสีต่างๆดูงามตาเมื่อพระอานนท์มาใกล้นครโคสัมพีนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้ว ทุ่งสาลีเกษตรยามต้องแสงอาทิตย์ในสายยานหัตการมองดูประหนึ่งปูลาดด้วยแผ่นทองพระพายลำเพยเพียงแผ่วเบาต้องกายพระมหาเถระก่อให้เกิดความชุ่มเย็นเชกมาดาลูกคลำบุตร ท, ที่รักด้วยใจถนอมนาเบื้องบนก้อนเมฆสลับซับซ้อนเป็นทิวแถวลอยละเลี่ยวตามแรงลมมองดูเป็นสีม่วงสลับฟ้า ระการตายิ่งนักพระผู้เป็นผาหูสูตรหาได้มุ่งเข้าสู่เขตคนครโกสัมพีไม่ท่านต้องการสแสวงหาที่สงัดและณที่นั้นแห่งใดเล่าจะสงัดเท่าป่าไม้ประดู่ลายพระมหาเถระจึงเยื่องย้างโดยลักษณะการอันน่าทัศนาเข้าสู่ป่านั้นด้วยหัตถัยที่แช่มชื่นเบิกบานเมื่อพระอาทิตย์ขัดสนงไปแล้วไม่นาน ดวงจันแจ่มจลัดก็โผล่ขึ้นทางทิศเหนือเหนือทิวไม้ด้านตะวันออกป่าประดูรลายเงียบสงัดวังเวงเหมาะสำหรับผู้สแสวงหาวิเวกอย่างแท้จริงเนื่องจากมีภิกษุแวะเวียนมาพักอยู่เสมอป่านี้จึงมีเสนาสนะได้น้อยอยู่หลายหลังสำหรับพักอาศัยหลังหนึ่งเพียงผู้เดียวพระเทระเลือกได้กระท่อมหลังหนึ่ง เมื่อปูราดนิสีชนะลงแล้วก็นั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ตลอดปฐมยามแห่งราตรีและพักพรเมื่อกึ่งมชิมยามล่วงไปแล้วปัจจุสการแสงสีขาวทางทิศตะวันออก เริ่มทาบขอบฟ้าจากทิศเหนือตลอดไปทางทิศใต้ลมรุ่งอรุณพัดเฉ่ยฉิวเสียงกาซึ่งเพิ่งออกจากรวงรังเพื่อสแสวงหาพักษาหารบินผ่านป่าประดูลายพร้อมด้วยเสียงร้องกากาบริเวณป่าประดูลายยังผงหยียบสงัดได้ยินแต่เพียงเสียงใบไม้ไหวกระทบกันเป็นครั้งคราวพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐเดินวนเวียนอยู่หน้ากระท่อมน้อย โดยอาการที่เรียกกันว่าเดินจงกรมเพื่อพิจารณาหัวข้อธรรมท้ทองฟ้าสางแล้วแสงสว่างสาดไปทั่วบริเวณไพรโน้มน้อมมนัดแห่งพระอนต์นให้แจ่มใสชื่นบานท่านเตรียมรุ่งอันตรวาสศกและคลองอุตราสงเป็นปริมณฑลเรียบร้อยถือบาทเข้าสู่นครโกสัมพีเพื่อบิณฑบาตมีผู้ดักถวายอาหารแก่มุนีเป็นแห่ง สมณสากยาบุตรเป็นที่คุ้นสายตาประชาชนชาวโกสัมพีแล้วตั้งแต่ครั้งที่พระธาคตเจ้าเสด็จเข้าสู่นครโกสัมพีเป็นครั้งแรกเมื่อพระอานนท์ได้อาหารพอสมควรแล้วท่านก็เดินดุ่มมุ่งเข้าสู่ป่าประดู่ลายตามเดิมฉันอาหารตามที่ประชาชนศรัทธาถวายด้วยอาการแห่งสามีบริโภคอันเป็นแบบอย่างแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายเสร็จแล้วท่านก็ยับยั้งอยู่ณที่นั้น ด้วยวิหารธรรมอันประเสริฐจนกระทั่งวัฒนาฉายาการพระอาทิตย์โคจรผ่านกึงกลางฟ้าไปแล้วเงาไม้ประดูลายที่อยู่โดดเดี่ยวทอดยาวไปทางทิศตะวันออกบรรยากาศรื่นรมสงบเหมาะแกะอนาคาริกะมุนีภิกษุรูปหนึ่งร่างกายสูงใหญ่มีสงา่าเดินเข้ามาสู่ป่าอันเงียบสงบนี้เมื่อท่านผ่านมาทางพระอนุ น, นั่งอยู่ เห็นเป็นสมณะแบบเดียวกันจึงเข้าไปหาด้วยอาการแห่งมิดแต่ท่านหาได้รู้จากพระอนลนหม่ท่านผู้ทรงพรตข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะพบท่านผู้ใดในป่าอันวิเวกแห่งนี้ท่านคงมุ่งสแสวงหาสันติวรบทเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจึงมานั่งอยู่ณที่นี้แต่ผู้เดียวท่านผู้บำเพ็ญตบะพระอนุนตอบข้าพเจ้าทราบจากเครื่องนุ่งห่มและบริหารต่างๆที่ติดตัวท่านมาว่า ท่านเป็นสมณะแบบเดียวกับข้าพเจ้าสมณะแบบเรานี้มีพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาด้วยกันก็พระผู้มีพระภาคตรัสว่าความวิเวกเป็นสหายอันประเสริฐท่านผู้ทรงพลดเพระดํารัตนี้ช่างเป็นพระพุทธภาษิต ท, ที่กระตุ้นเตือนเร่งร้าวให้พุทธสาวกพอใจในวิเวกสนณิกระไรขอประธานโทษเถิดจากลักษณะอาการและคํากล่าวของท่าน ข้าพเจ้าพอจะอนุมานได้ว่าท่านคงจะมาสู่ธรรมวินัยนิหนานแล้วส่วนข้าพเจ้าเองนั้นแม้ว่าจะมีอายุเยยบย่างเข้าสู่วัยชรามาหลายปีแลว้วก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็เพิ่งจะอุปสมบทอุทิศพระผู้มีพระภาคเมื่อไม่นานมานี้เองคือเมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นปรินิพานแล้วข้าพเจ้าเพิ่งจะบวชได้ห้าพรรษาเท่านั้นเอาโศ ข้าพเจ้าอุปสมบทในสมัยที่พระตถาคตเจ้ายังทรงพระชนอยู่และได้เห็นได้เฝ้าพระองค์เสมอๆข้าพเจ้าถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐที่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคม่ใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั้นใครๆก็ปรารถนาที่จะได้เข้าเฝ้าและสนทนาด้วยพระองค์เป็นผู้สูงสุดอย่างแท้จริงภิกษุรูปนั้นแสดงอาการสนใจอย่างเห็นได้ชัดและมีในตาว้าวด้วยปีติพร้อมด้วยกล่าวว่าท่านผู้ทรงพร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 ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือขึ้นไปท่านเองก็คงจะทราบว่าแคว้นกรัรมโพชะมีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องพันม้าดีพระนอน์นิ่งอยู่ครู่หนึ่งหาได้ตอบคำของกรัรมโพชะทันทีไม่ท่านกำลังตึกตรองอยู่ว่าควรจะบอกนามของท่านแก่ภิกษุรูปนี้หรือไม่หนอภิกษุรูปนี้มีความเลื่อมใสในระศ า, าสดาเป็นอย่างยิ่งกระหายใข่ฟังพระพุทธจริยา และเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์ภิษุรูปนี้คงจะต้องเคยได้ยินเกียรติกุนของท่านในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดอย่างยิ่งกับพระศาสนาถ้าเธอทราบนามของท่านแล้วและได้ฟังพุทธจริยาบางตอนจากท่านเองคงจะเพิ่มพูนปีติปราโมทแก่เธอหาไม่อาจจะเป็นทางให้เธอได้ธรรมาจาักสุในไม่ช้าเมื่อคิดถึงประโยชน์ดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งแล้ว พระพุทธอนุชาสุโกธนาบุตรจึงกล่าวว่าพระราดาข้าพเจ้ายินดีจะเล่าพุทธจรรยาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระองค์บางประการบางตอนให้ท่านฟังเท่าที่ข้าพเจ้ารู้เห็นมาด้วยตนเองบ้างที่พระศาสดาโปรดประทานเล่าให้ข้าพเจ้าฟังบ้างอันหนึ่งข้อที่ท่านอยากจะทราบนามของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าบอกท่านได้แต่เพียงว่าเมื่อข้าพเจ้ายังคลองคารวาสอยู่นั้น ญาติวง์ของขพเจ้าเรียกขพเจ้าว่าเจ้าชายอานันทะและเมื่อขพเจ้าอุปสมบทแล้วเพื่อนพรหมจารีเรียกขพเจ้าว่าพระอานันทะพระศาสดาเรียกอานน์อานน์อยู่เสมอเสมอพอพระมหาเถระกล่าวจบลงพระกามโพชะมีอาการตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วอาการแห่งปีติซาบซ่านก็เข้ามาแทนที่ ท่านลุกขึ้นนั่งกระโยงประนมมือกราบลงแทบบาทมูลของพระอนุนศพศีษะอยู่นิ่งและนานเมื่อท่านเงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งพระพุทธะอนุชาสังเกตเห็นน้ำตาเออเบ้าตาของวิสุผู้อยู่ในวัยชลารูปนั้นนั่นเป็นสัญลักษณ์แห่งปีติปราโมทอันหลั่งไหลมาจากความรู้สึกที่ลึกซึ้งและปรากฏออกมาทางกระกายและแล้วพระกัมโพชาจึงกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้ไม่ลหลงไหลในบวงมานเป็นลาบอันยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าที่ได้มาพบท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐเหมือนองค์แทนแห่งพระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าเดินทางมาหลายเมือง้วยจุดประสงค์ที่จะได้พบและสนทนากับท่านข้าพเจ้าทราบว่าท่านเดินทางมาโกสัมพีข้าพเจ้าก็ติดตามมาแต่ก็หาได้รู้จักท่านหม่แม้จะสนทนาอยู่กับท่านที่ข้าพเจ้ากระหายใกล้พบอยู่ตลอดเวลาก็ตาม โอช่างเป็นลาบของข้าพเจ้าเส็ยนีก้กระไรอุปมาเหมือนลูกโคเพี่ยวติดตามหาแม่ในป่ากว้างและได้พบแม่สมประสงค์ความรู้สึกของลูกโคนั้นเป็นฉันใดความรู้สึกของข้าพเจ้าก็ฉันนั้นแล้วพระก ร, รมโพชะก็กราบลงแทบบาทมูลของพระ อ, อนต์อีกครั้งหนึ่งช่างเถิดผู้มีอายุเรื่องของข้าพเจ้าไม่มีความสำคัญเท่าเรื่องของพระาศาสดาอ น, นึ่ง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 น่ปาป่าไม้ประดูลายนี่เองสมัยหนึ่งพระตถาคตเจ้าประทับอยู่ด้วยหมู่ภิกษุนับจํานวนร้อยพระองค์ทรงหยิบใบไม้มากรรมพระหัตถ์หนึ่งแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าใบไม้ในกรรมพระหัตถ์ของพระองค์กับใบไม้ในป่านี้ทั้งหมดไหนจะมากกว่ากันเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าใบไม้ในป่ามีมากกว่าเหลือหลายใบไม้ในกรรมพระหัตถ์มีน้อยนิดเดียวพระพุทธองค์จึงตรัสว่า ฉันเดียวกันนั่นแหละพิสูจทั้งหลายครรที่เราแสดงแล้วแกเธอทั้งหลายนั่นเพียงเล็กน้อยเหมือนใบไม้ในกำมือของเราส่วนธรรมที่เรายังไม่ได้แสดงมีมากหลายเหมือนใบไม้ในป่าภิกษุทั้งหลายทําไมเราจึงไม่แสดงธรรมที่เรารู้เราเข้าใจอีกมากหลายเล่าพิกษุทั้งหลายเราแตถาคตแสดงแต่ธรรมที่จําเป็นเพื่อระงับดับทุกข์เท่านั้นสิ่งนอกนี้รู้ไปก็ทําให้เสียเวลาเปล่า พิสูจทั้งหลายสมัยหนึ่งมีพิสูตรูปหนึ่งเข้ามาหาเราและถามปัญหาสิบข้อขอให้เราแก้ปัญหาข้อข้องใจนั้นถ้าเราไม่แก้ปัญหาให้ใคลายสงสัยได้เขาจะละเพศพรหมจรรย์ปัญหาสิบข้อนั้นล้วนเป็นปัญหาที่ไร้สาระไม่เป็นไปเพื่อระงับดับทุกข์รู้แล้วก็ไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นเช่นปัญหาที่ว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุด ตายแล้วเกิดหรือไม่ดังนี้เป็นตน้นเราไม่ยอมแก้ปัญหานั้นพิกษุทั้งหลายเรากล่าวกับพิกษุรูปนั้นว่าเจ้าว่าแต่เธอจะละเพศพรหมจรรย์ น, นี้เลยแม้ว่าเธอจะตายไปต่อหน้าต่อตาเราเราก็หายอมแก้ปัญหาเหล่านั้นของเธอไม่พิกษุทั้งหลายปัญหาที่ประเชิญอยู่เบื้องหน้าของทุกๆคนก็คือปัญหาเรื่องทุกข์และความดับทุกข์ มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกความทุกข์เสียบทั้งทางกายและทางใจอุปมาเหมือนผู้ถูกยิงด้วยลูกศรซึ่งกำซาบด้วยยาพิษญาติมิตรเห็นเข้าเกิดความกรุณาจึงพยายามจะช่วยกันถอลูกศร น, นั้นแต่ว่าบุรุษผู้โง่เขลาบอกว่าต้องไปเสือให้ได้เสก่อนว่าใครเป็นคนยิงและยิงมาจากทิศไหนลูกศรทำด้วยไม้อะไรแล้วจึงค่อยมาถอลูกศร อ, ออกภิกษุทั้งหลาย บุรุษผู้นั้นจะต้องตายเสียก่อนเป็นแน่แท้ความจริงเมื่อถูกยิงแล้วหน้าที่ของเขาก็คือควรพยายามถอดลูกศร อ, ออกเสียทันทีทำระแผลให้สะอาดแล้วใส่ ย, ยาและรักษาแผลให้หายสนิทหรืออี ก, กประมาณหนึ่งเหมือนบุคคลที่ไฟไหม้อยู่บนศีรษะควรรีบดับเสโดยพลันไม่ควรจะวิ่งหาคนผู้เอาไฟมาเผาบนที่ศตนทั้งทั้งที่ไฟลุกไหม้อยู่ภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุทั้งหลายคราวนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นผู้ฉลาดได้ร้องบอกให้ทุกๆคนทิ้งดุนไฟในมือของตนเสียผู้ที่ยอมเชื่อทิ้งดุลไฟก็ได้ประสบความเย็นส่วนผู้ไม่เชื่อก็ยังคงถือดุนไฟพร้อมได้ร้องตะโกนว่าร้อนร้อนอยู่นั่นเอง สถากฎได้ทิ้งรุ่นไฟแล้วและร้องบอกให้เธอทั้งหลายทิ้งเสียด้วยรุ่นไฟที่กล่าวถึงนี่คือกิเลสทั้งมวลอันเป็นสิ่งที่เผารลนสัตว์ให้ร่าวร้อนกระวนกระวายภิกษุทั้งหลายอายตนะภายในหคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะและธรมมารมเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง ภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะใดๆที่จะครอบงำรึงรัดใจของบุรุษได้มากถรูปเสียงกลิ่นรสและโพธิภะแห่งสตรีภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะใดๆที่สามารถครอบงำรึงรัดใจของสตรีได้มากถรูปเสียงกลิ่นรสและโพธิภะแห่งบุรุษภิกษุทั้งหลาย กามกุลนี้เรากล่าวว่าเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นพวงดอกไม้แห่งมารเป็นกำลังพลแห่งมารพิกษุผู้ปราถนาจะประหารมารพึงสลัดเหยื่อแห่งมารขยี่พวงดอกไม้แห่งมารและทําลายกำลังพลแห่งมารเสียพิกษุทั้งหลายเราเคยเย่ะเยะ้ยกามกุลนโพธิมณฑนในวันที่ตรัสรู้นั่นเองดูก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้ว เจ้าเกิดจากความดับฤกษ์กำนึงถึงนั่นเองเราจักไปด่ดับฤกถึงเจ้าอีกด้วยประการศนี้กามเอ่ยเจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ดูกนพระราดาพระนนกล่าวต่อไปทั้งนั้นในป่าไม้ประดู่ลายนี้ภิกษุจำนวนมากได้ดวงตาเห็นธรรมและอริยคุณสูงสูงขึ้นไปด้วยพระพุทธภาสิทธิ์อนลึกซึ้งจับใจนี้พระองค์ทรงใชอ่อุปมาอุปไมยอันคมคายแยบยล และขมดพระธรรมเทศนาให้เห็นจุดเด่นที่ทรงประสงค์เหมือนในช่างผู้ฉลาดเมื่อจะสร้างปราสาทหรือกูตาคารยอมจะลงรากปราสาทนั้นให้แน่นหนาและวางเสาอันมั่นคงและสร้างเรือนยอดตั้ล่มขึ้นไปให้ยอดเด่นเห็นสง่างามรุ่งเรืองด้วยพระธรรมเทศนาโกศลแห่งพระทศพลวิมนอน า, นาวรณญาณอันหาใครเปรียบปานม่ได้ในสามภพดูกร อ, อคันตุ ก, กะ พระนลกล่าวต่อไปนักรุงโกสัมพีนี่เองพระตถาคตเจ้าเคยประทับรอยพระบาทคือพระพุทธจริยาอันประเสริฐไว้สําหรับให้โกนภายหลังหรือเป็นอย่างยามดําเนินตามคือสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงโกสัมพีและสาราญพระอิริยาบถอยู่ณโคสิตารามตอนเช้าพระพุทธองค์จะเสด็จออกปิณฑบาตมีประชาชนผู้เลื่อมใสคอยดักถวายเป็นทีวแถว แต่ว่าก็มีกลุ่มชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคอยตามด่ากระทบกระแทกเสียดสีอยู่ตลอดเวลาเมื่อพระองค์เสด็จกลับโคสิตารามก็ตามไปดา่าถึงพระคันธกุฎีด้วยอกโกสวัตถุสิบประการคือท่านเป็นโคเป็นลาเป็นอูดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเรื่องนี้มีเบื้องหลังคือสมัยหนึ่งก่อนหน้าที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่นานนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จสู่แคว้นกุรุ ณที่นั้นมีบู่บ้านพราหมอยู่แห่งหนึ่งพรามณ์ในบ้านมีธิดาสาวทรงสตริโสภาพยิ่งนักนามว่ามาคันธยาความงามแห่งนางระบือไปทั่วชายหนุ่มผู้มั่งคัง่งต่างเดินทางโดยทางเขวียนบ้างโดยรถม้าบ้างมาสู่มาคันธยาคามนี้เพื่อทัศนามาคันธยานารีบางคนก็แต่งผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่พรามณ์ผู้เป็นบิดา ยังมองไม่เห็นใครที่เหมาะสมแกท่ทิดาของตนจึงยังไม่ยอมยกให้ใครมาคันธยาเป็นที่กล่าวขวัญถึงแก่ปวงชนชาวกุรุอย่างแพร่หลายจนเมื่อธิดาของสกุลใดเกิดใหม่ผู้เท่าผู้แก่ก็มักจะให้พรว่าขอให้สวยเหมือนมาคันธยาดูก่อนอาคันตุกะแต่ท่านต้องระลึกไว้อย่างหนึ่งว่าความงามกับอันตรายนั้นมักจะมาด้วยกันเสมอ ที่ใดมีความงามที่นั่นย่อมมีอันตรายแอบแฝงซ่อนเว้นอยู่ด้วยจะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดแห่งความงามนั้นและก็มีอยู่บ่อยครั้งที่เป็นอันตรายไม่เพียงแต่ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นแต่แก่เจ้าของความงามนั่นเองอีกด้วยพระาศาสดาเสด็จไปถึงบ้านมาคันธยพราหมณ์ในเช้าวันหนึ่งขณะที่เข้าบูชาไฟอยู่ที่ประตูบ้านนั้นเมื่อได้เห็นได้ทัศนาพระาศาสดาแล้ว พราหมณ์ก็ตกตะลึงในความงามแห่งพระพุทธองค์ถึงกับอุทานออกมาว่าชายผู้นี้งามจริงหนอเขาก็าไปหาพระตถาคตเจ้าแล้วกล่าวว่าสมณะข้าพเจ้ามองหาชายอันคู่ควรกับบุตรีของข้าพเจ้ามาเป็นเวลานา น, านแล้วแต่ก็หาใครงามคู่ควรแก่บุตรีของข้าพเจ้าเสมอท่านไม่ได้ขอท่านโปรดยืนอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งเถิดแล้วข้าพเจ้าจะนําบุตรีมาให้ท่าน พระศาสดาสแสดงอาการดุษณีภาพทรงเหยียบรอยพระบาทให้ปรากฏไว้ด้วยแรงอธิษฐานอันสำเร็จมาแล้วจากพระบารมีแต่ปากบันแล้วเสด็จลีกไปรประทับนะใต้ต้นไม้งามคลึ้มต้นหนึ่งพรามแจ้งข่าวแก่พราหมณีและให้ตกแต่งลูกสาวให้สวยงามเพื่อ น, นำไปมอบให้ชายผู้หนึ่งอันตนเห็นว่าคู่ควรกันแล้วพากันออกจากเรือนเมื่อไม่เห็นพระธราคตที่เดิมพรามก็ประหลาดใจ บังเอิญพราหมณีได้เหลือเห็นรอยเท้าที่พระพุทธองค์ทรงเหยียบไว้จึงกล่าวกับพราหมู้สามีว่าอย่าติดตามหาบุรุษผู้นี้เลยผู้มีรอยเท้าอย่างนี้เป็นผู้สะแล้วซึ่งโลกิยาณ์ทั้งปวงพราหมเอยอยันบุคคลผู้เจ้าราคะนั้นมีเท้าว้าวกลางมากเจ้าโทศะหนักส้นส่วนคนเจ้าโมหะนั้นปลายจิกลงส่วนรอยเท้าของบุรุษผู้นี้ เป็นผู้ยิบเพิกกิเลสได้แล้วอย่างแท้จริงพราหมณ์ต่อว่าสามีว่าอวดรู้อวดดีทำตนเหมือนจระเข้นอนในตุ่มจึงพาบุตรีและพัญญาเที่ยวตามหาพระาศาสดามาพบเข้าที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งพราหม์ดีใจหนักหนาแต่ก็ต่อว่าเป็นเชิงพ่อว่าสมณะข้าพเจ้าบอกให้ท่านยืนรอที่โนนแต่หายืนคอยไม่เหมือนไม่ยินดีที่จะรับบุตรีของข้าพเจ้า สมณะอุตรีของข้าพเจ้านี้งามเหลือเกินงามเลิศกว่านาลีใดๆทั้งปวงในถิ่นนี้เป็นที่ปองหมายแห่งสตรีกหบดีและแม้แห่งพระราชาแต่ว่าข้าพเจ้าหาพอใจให้ใครเสมอโดยทันใหม่บัดนี้ข้าพเจ้าได้นำนางผู้งามพร้อมมามอบณนะเบื้องบาทของข้านแล้วขอจงรับไว้และคล้องกันฉันสามีปัญญาเถิดพราม์กล่าวจบ แล้วสั่งให้บุตรีถวายบังคมพระาศาสดาพระโลกนาาสักยะบุตรยังคงประทับดุษณนีอยู่ครู่หนึ่งพระองค์ทรงรำพึงว่าพราหมณ์ผู้นี้มีความหวังดีต่อเราต้องการสงเคราะห์เราด้วยสิ่งอันเป็นที่รักที่หวงแหนที่สุดแห่งตนแต่ว่าสิ่งนี้มีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดาเราจะปฏิการพราหมณ์ผู้ีด้วยอมตะธรรมพราหมณ์พราหมณีทั้งสองนี้ มีอุปนิสัยแก่กล้าพอจะบรรลุธรรมของเราได้เป็นการมอบสภาพอันไม่แก่และไม่ตายแก่เขาทรงดำริดังนี้แล้วพระตถาคตเจ้าจึงเอื้อมโอดว่าพราหมณ์ถ้าเราจะเล่าเรื่องบางเรื่องให้ท่านฟังท่านจะพอใจฟังหรือไม่เล่าเถอสมณะข้าพระเจ้าพร้อมอยู่แล้วท่านมีบุตรปัญญาอยู่แลหรือนางมาคันธยาบุตรตรีแห่งพราหมณ์ นั่งเพ่งพิษพระตถาคตเจ้าเหมือนกับเด็กมองดูทุกตาซึ่งตนไม่เคยเห็นพร้อมๆกันนั้นมารยาแห่งสตรีซึ่งปรากฏอยู่ในเดือนร่างและนิสัยแห่งอิทธิเพศก็เริ่มฉายแวววาวออกมาทางสายตาและริมฝีปากอันบางงามเต็มอิ่มนั้นเพราะตถาคตเจ้าชายพระเนตรดูนางมาคันธยาหน่อยหนึ่งทรงรู้ถึงจิตใจอันปั่นป่วนของนางแ ล, ล้วตรัสว่าพราม เมื่อเรายังอยู่ในวัยหนุ่มมีเกศอย่างดำสนิทถูกแวดล้อมด้วยสตรีล้วนแต่สกานตาเป็นที่ปราจนาของบุรุษเพศผู้ยังตัดอะไรในบ่วงการมีได้แต่ว่าเราเบื่อหน่ายในโลกยียวิสัยจึงสละสมบัติบรมจากและนางผู้จำเนินตาออกสแสวงหาโมกขธรรมแต่เดียวดายเที่ยวไปไม่มีอะไรปลอดโปรงเหมือนบุคคลที่เป็นหนี้และพ้นจากหนี้เคยถูกคุมขัง และพ้นจากที่คุมขังเคยเป็นโรคแล้วหายจากโรคหลังจากท่องเที่ยวเดียวดายและทำความเพียรอย่างเข้มงวดไม่มีใครจะทําได้ยิ่งกว่าเป็นเวลาหกปีเราก็ได้ประสบชัยชนะอย่างใหญ่หลวงในชีวิตได้ตรัสรู้พระนุตระสัมมาสัมโพธิญาณสงบเยือกเย็นถึงที่สุดล่วงพลบ่วงมารทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นทิพและของมนุษย์ มารและทิดามารคือนางตันหาราคาและอรดีได้พยายามยั่วยวนเราด้วยวิธีแปลกๆเพื่อให้เราตกอยู่ในอำนาจแต่เราก็หาสนใจยายดีไม่ในที่สุดพวกมารก็ถอยหนีไปเองเราชนะมารอย่างเด็ดขาดจนมีนามกล้องโลกว่าพระผู้พิชิตมารพระตถาคตเจ้าหยุดหยุดคู่หนึ่งทรงกวาดสายพระเนตรดูทุกใบหน้า ในที่สุดพระองค์ตรัสว่าพรามเมื่อได้เห็นนางตันหานางราคาและนางอรดีซึ่งทรงความงามเหนือสามโลกเราก็หาพอใจแต่น้อยใหม่ก็ทำไมเล่าเราจะพอใจในสรีระแห่งธิดาของท่านซึ่งเต็มไปด้วยมูดและคูดพรามเออ ย, ยะว่าแต่จะให้แตะต้องในมือเลยเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้า พระนุนเล่าต่อไปพระดำรัสตอนสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเป็นเสมือนสายฟ้าฟาดเปลี่ยงลงบนใบหน้าของบุตรีพรามนางรู้สึกร้อนเผาไปหมดทั้งร่างสำหรับสตรีสาวอะไรจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดยิ่งไปกว่าการเสนอตัวให้ชายแล้วถูกเขาเกียดทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีดังนั้นในตาซึ่งเคยหวานเยิ้มของนางจึงถูกเคี่ยวให้เกิดแท้งไปด้วยไฟโทสะ ใบหน้าซึ่งเคยถูกชมว่างามเหมือนจันรเพนนันบัดนี้ได้ถูกเม่คือความโกรธเคลื่อนคำบดบังเส็จแล้วนางผูกใจเจ็บในพระตถาคตเจ้าสุดประมาณพระตถาคตเจ้าสังเกตเห็นกิริยาอาการของนางโดยตลอดแต่หาสนประไทยอันใดไม่ทรงแสดงอนุปพิกถาพรรณนาถึงเรื่องทานศีลผลแห่งทานและศีล โทษของกามและอานิสงส์แห่งการหลีเเล่นออกจากกามที่เรียกว่าเนคมะฟอกอัธยาศัยแห่งพรามและพรามณนีจนทรงเห็นว่ามีจิตอ่อนควรแก่พระธรรมเทศนาชั้นสูงแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงประกาศสามุกกังศิการธรรมเทศนาคืออริยสัจสีประหนึ่งช่างย้อมผู้ฉลาดฟอกผ้าให้สะอาดแล้วนํามาย้อมสีตามที่ตนต้องการ พระธรรมเทศนาจบลงด้วยความสำเร็จมรรคผลของพรามและพรามณีพระพุทธองค์เสด็จลุกจากอาสนะทิ้งมาคันธยาขาวไว้เบื้องหลังมุ่งสู่ชนบทอื่นเพื่อโปรดเวนายัสสต์ต่อไปความงามแห่งสตรีนั้นมักจะเป็นมือดาบสองคมคือให้ทั้งคุณและโทษแก่เธอและมีสตรีน้อยคนนักที่จะจับเพียงคมเดียว เพราะฉะนั้นเธอจึงมักประสบทั้งความสุขและความเศร้าเพราะความงามเป็นมูลเหตุกฎข้อนี้พิสูจน์ได้โดยชีวิตของนางมาคันธิยาซึ่งขบัตเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังต่อไปด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะแก้แค้นประศาสดาเครื่องมือในการใช้ความพยายามของนางก็มีอย่างเดียวคือความงามเมื่อมีความพยายามความสาเร็จย่อมตามมาเสมอ และในความพยายามนั้นอาจจหวะดีก็จะทำให้สาเร็จเร็วขึ้นดังนั้นต่อมาในไม่ช้านางก็ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งโกสัมพีโดยวิธีใดนั้นไม่แจ้งนับว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตพอที่จะหาทางแก้แค้นพระาศาสดาได้โดยสะดวกดังนั้นเมื่อนางทราบว่าพระธาคตเจ้าเสด็จมาโกสัมพีนางจึงยินดียิ่งนักราวนี้แหละ ระสมณะโคดมผู้จองหองจะได้เห็นฤทธิ์ของหมาคันติยานางปลารพเรื่องนี้ด้วยความกระยิ่มใจจึงจ้างบริวารของนางบ้างท่านและกรรมกรบ้างให้เที่ยวตามด่าพระาศาสดาทุกมุมเมืองทุกโหนทุกแห่งที่พระองค์ทรงเหยียบย่างเข้าไป